ข้อควรศึกษาข้อที่สองเชื่ออย่างไรผิดหลักกรรมมีลทัทธิมิชาทิฏฐิเกี่ยวกับสุขทุกข์และความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์อยู่สามลทัทธิซึ่งต้องระวังไม่ให้เข้าใจสับสนกับหลักกรรมคือ 1. อุเพกะตะเหตุวาทะการถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงเป็นเพราะกรรมเก่า เรียกสันส้นๆว่าอุเพกตาวาด 2. อิสระนิมมาในเหตุวาธะการถือว่าสุขทุกทั้งปวงเป็นเพราะการบรันรดาลของเทพผู้เป็นใหญ่เรียกสันส้นๆว่าอิสวนกรณาวาดหรืออิสวนนิรมิตวาฏ3อาอเหตุตุอปัจจะวาทะ การถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงเป็นไปสุดแต่โชคชะตาลอยลอยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเรียกสันสันว่าอเหตุวาดทั้งนี้ตามพุทธพ์ธว่าภิกษุทั้งหลายลทัทธิเดียรฐีสามระบบเหล่านี้ถูกบัณฑิตไต่ถามสักไซไล่เลียงเข้ายอมอ้างการถือสืบๆกันมา ยืนกรานอยู่ในหลักอกิริยาคือการไม่กระทำคือหนึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีอย่างหนึ่งอย่งางใดก็ตามที่คนเราได้สวยทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเพราะกรรมที่กระทำไว้ในปางก่อนในวงเล็บอุเพกะตะเหตุ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 ทราบว่าท่านทั้งหลายมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้จริงหรือถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้วรับว่าจริงเราก็กล่าวกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็จะต้องเป็นผู้ทําปานาติบาตเพราะการรมที่ทําไว้ปางก่อนเป็นเหตุจะต้องเป็นผู้ทําอธินนาทานเพราะการรมที่ทําไว้ปางก่อนเป็นเหตุจะต้องเป็นผู้ประพฤติอพรรมอาจารย์ เป็นผู้กล่ามุสาวาทละถึงเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิเพรกกาะกรรมที่ทําไว้ปางก่อนเป็นเหตุนะสิภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลมายึดเอาการรมที่ทำไว้ในปางก่อนเป็นสาระฉันทะก็ดีความพยายามก็ดีว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําก็ย่อมไม่มีเมื่อไม่กําหนดยึดเอาสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ไม่ควรทํา โดยจริงจังมั่นคงดังนี้สมณพราหมวกนี้ก็เท่ากับอยู่อย่างหลงสติไร้เครื่องรักษาจะมีสมณวาทะที่ชอบทำเฉพาะตนไม่ได้นิลัยเป็นนิหะอันชอบทำอย่างแรกของเราต่อสมณพราหม์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นเราเข้าไปหาพวกที่สองกล่าวกับเขาว่าท่านจักเป็นผู้ธทมปานาติบาตก็เพราะการบรรดาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเหตุจะเป็นผู้ทมอธินนาทานประพฤติพรหมจรรย์กล่าวมุสาวาดละถึงเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิก็เพราะการบรรดาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเหตุนะสิภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลมายึดเอาการบรรดาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสาระฉันทะก็ดีความพยายามก็ดีว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำก็ยอมไม่มีภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นเราเข้าไปหาพวกที่สามกล่าวกับเขาว่าท่านจักเป็นผู้ทาปาณาติบาตโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย จกเป็นผู้ทำรรอธินาทานประพฤติอารมจรร์จันทร์กล่าวมุสาวาตลากถึงเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยน่ะสิภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลมายึดเอาความไม่มีเหตุเป็นสาระฉันทะก็ดีความพยายามก็ดีว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำก็ย่อมไม่มี โดยเฉพาะลัทธิที่หนึ่งคือปุเพกะตะวาสนั้นเป็นลัทธิของนิครณดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายสะมณพราหมพวกที่หนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามที่บุคคลได้เสวยทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ตัวทําไว้ในปางก่อนโดยนิยะดังนี้เพราะกรรมกล่าวหมวดสิ้นไปด้วยตาบะ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 นอกจากนี้พุทธพจน์ ท, ที่เคยยกมาอ้างข้างตน้นซึ่งย้ำความอันเดียวกันก็มีว่าดูก่อนสิวะกะเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นมีดีเป็นสมุทฐานก็มีเกิดจากความดาปรวนแห่งอุตุกก็มีเกิดจากการบริหารตนไม่สม่ำเสมอก็มีเกิดจากถูกทําร้ายก็มีเกิดจากผลกรรมก็มีละถึง สมณพราหมณ์เหล่าใดมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลได้สมวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเวทนานั้นเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ปางก่อนละจนถึงเรากล่าวว่าเป็นความผิดพลาดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเองพุทธพจน์เหล่านี้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 การขึ้นมาถึงที่นั่นของเขาต้องอาศัยการกระทาคือการเดินที่ผ่านมาแล้วนั้นจะปฏิเสธไม่ได้และเมื่อขึ้นมาถึงที่นั่นแล้วการที่เขาจะเหยียดมือไปแตะพื้นดินข้างล่างตึกหรือจะนั่งรถเก๋งวิ่งไปมาบนตึกชั้นสามเล็กๆเหมือนอย่างบนถนนห ล, ลวงก็ย่อมเป็นไปไม่ได้และข้อนี้ก็เป็นเพราะการที่เขาขึ้นมาบนตึกเหมือนกันปฏิเสธไม่ได้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 ในฐานะที่ขึ้นมาอยู่กับเขาหน้าที่นั้นด้วยก็ดียอมสืบเนื่องมาจากกรรมเก่าคือการที่ได้เดินมานั้นด้วยแน่นอนแต่การที่เขาจะทำอะไรบ้างทำสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องที่นั่นแค่ไหนเพียงไรตลอดจนว่าพักเสียก่อนแล้วเดือนต่อหรือเดินกลับลงเสียจากตึกนั้นยอมเป็นเรื่องที่เขาจะคิดตกลงทำเอาใหม่ทาได้และได้ผลตามเรื่องที่ทานั้ น, น, น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 เพื่อประกอบการวางแผนทากรรมปัจจุบันและหาทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อผลดีในอนาคตต่อไป